จาประสบการณ์ตรงที่เคยแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่ที่เขามีลูกเกเรนะครับจากที่เขาดุดา่าเราแค่ปรับพฤติกรรมปรับพลังจิตของพ่อแม่ที่ส่งไปหาลูกแล้วก็เปลี่ยนคําพูดจากความรุนแรงเป็นคำหวานหวานก็กลับพบว่าเด็กยอมรับมากขึ้นยอมรับคําสั่งสอนมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น เ, เด็กโทรศัพท์คุยจนดึกแม่ก็ด่าทุกวันด่าแล้วด่าอีกคำสารพัด ยิ่งด่ามันก็เหมือนยิ่งอยู่เพราะว่าเด็กวัย น, นี้บอกแล้วว่าเขาไม่ชอบคนบังคับแต่พอผมบอกว่าให้เปลี่ยนคุณแม่ไปนอนแล้วก็เอาน้ำหวานหาขนมไปให้ลูกบอกว่าแม่นอนแล้วนะยังไงก็คุยเสร็จแล้วรีบนอนนะตื่นมาจะได้มีแรงไปเรียนหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ปรากฏว่าเขาโทรกลับมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทําลูกเขาก็วางโทรศัพท์ทันทีแล้วก็เข้านอนเนี่ยมันง่ายๆแค่นี้เองครับ การด่าการดุในเวลาที่เด็กมันกําลังเป็นวัยรุ่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาพวกคุณไม่เคยเป็นวัยรุ่นกันเหรอผมถามจริงคนที่เป็นพ่อแม่ที่ชอบดุ ด, ด่าชอบทําลายลูกเนี่ยชอบบังคับลูกคิดสิครับย้อนคิดไปว่าตอนคุณเป็นวัยรุ่นนะ่ะคุณต้องการอิสระมากแค่ไหนลูกมันก็ต้องการเหมือนกันการดุ ด, ด่าการลงโทษหรือกดข้อ บ, บังคับที่เกินวัยของเด็กการเข้มงวดและยุ่งกับโลกส่วนตัวเกินไปในช่วงเนี้ย ส่งให้เด็กเกิดแรงกดดันสะสมภายในได้ง่ายส่งให้มีปัญหาทางจิตที่ส่งต่อถึงการกระทำในอนาคตและส่งผลเสียต่อถึงตอนโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างพิสดารหลายรูปแบบนะครับการเข้าใจภาวะทางอารมณ์ที่มีผลมาจากสมองฮอร์โมนและสิ่งเร้าต่างๆจะทำให้แก้ปัญหาให้เด็กแต่ละวัยได้ถูกทางและง่ายขึ้นแต่น้อยคนจะสนใจและมองเห็นเรื่องคลื่นสมองกับเรื่องฮอร์โมนเนี่ยสคัญมากนะครับถ้ารู้จักว่า วิธีไหนการกระทาแบบไหนสามารถปรับจูนคลื่นสมองและฮอร์โมนให้ลงมาพอดีจะมีผลต่อการพัฒนาการของเด็กอย่างมากเช่นเด็กผู้ชายฮอร์โมนเพศชายออกมามากมันจะกระตุ้นให้ก้าวร้าวถ้าเราเอาเข้าฟิตเนสเล่นกล้ามฮอร์โมนพวกนี้มันจะถูกเอานำไปสร้างกล้ามแล้วก็สมองส่วนจิตสำนึกก็จะทำงานดีขึ้นเซโรโทนินหลังออสซิตอสินหลังก็จะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีขึ้น การเข้าฟิตเนสในช่วงวัยที่ฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่านผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยผมยังไม่ค่อยเห็นเด็กหุ่นดีกล้ามสวยคนไหนไปวิ่งไล่ตีใครนะฮะส่วนมากถ้าเกิดเวลามันกล้ามสวยหุ่นดีแล้วมันก็เป็นที่ชื่นชมของทุกคนสาวๆติดมันก็จะลดความก้าวร้าวลงแล้วก็จะลดพฤติกรรมแปลกๆ ก, ก็ไม่รู้จะเกเอไปทําไมในเมื่อตัวเองมีจุดเด่นอยู่แล้วถูกไหมครับ สำหรับตัวผมเองนะครับต้องตื่นตีสีไปขายของกับแม่ตั้งแต่อยู่อนุบาลจนจบประถมกลับมาก็ต้องกวาดหน้าบ้านรดนนําต้นไม้ทั่วบ้านในขณะที่ตัวกับกระป๋องเนี่ยแทบจะสูงเท่ากันเลยสิ่งที่เคยบ่นและรําคาญตอนนั้นรู้สึกอึดอัดแบบพูดไม่ออกนะฮะแต่โตมาถึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละทําให้เราเป็นคนสู้งานและสํานึกบุญคุณพ่อแม่ได้ง่ายการได้เห็นความเหนื่อยของพ่อแม่ทําให้พยายามหาเงินเองตั้งแต่ประถมเลยนะครับ ก็คือเปิดร้านขายน้ำแข็งใส่ขายมะม่วงดองทำด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครมาบอกบางทีมีเวลาว่างก็ไปเก็บเศษตะปูมาชั่งกิโลขายและทำอีกสัลภัสนะครับตอนปิดเทอมความจริงผมไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินใช้สบายะครับพอเป็นลูกคนเล็กที่แม่ตามใจมากอยู่แล้วแต่การเห็นพ่อแม่ทำงานเหนื่อยแค่ไหนมาตั้งแต่เกิดกว่าจะขายของได้กาไรแต่ละบาทเลยทาให้ไม่อยากรบกวนและควรขวายอยากหาเงินเองนะครับ อันนี้ก็ตรงตามกับงานวิจัยที่เขาวิจัยไว้เต้นตระกูลผมเนี่ยเป็นคริสต์ทั้งตระกูลนะครับเป็นคารทอลิกทั้งตระกูลปู่ย่าตายายเป็นหมดผมเนี่ยโดนบังคับเป็นลูกคนเดียวที่ถูกบังคับให้ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ต้องเรียนคําสอนหลังเลิกเรียนต้องสวดมนต์ทุกวันแม่พาเข้าวัดจับยอดเงินทำบุญเป็นประจําแถมพ่ อ, อยังเน้นเรื่องมารยาทอย่างเข้มงวดพ่อผมเนี่ยดุสุดๆนะเดินเสียงดังก็ไม่ได้ปิดประตูเสียงดังก็ไม่ได้ เจอผู้ใหญ่ไม่ไหวในโดนตบหัวทิมเลยไม่นอบน้อมรับรองโดนตีตายในขณะที่พ่อแม่สมัยเนี้ยไม่เคยสอนลูกเลยแ ล, แล้วก็เห็นเรื่องมารยาศำสามของลูกเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ทําให้มันโตมันเป็นคนเนระคุณคุณจําไว้นะครับลูกคุณจะกระตันยูได้ต่อเมื่อคุณสอนมันไว้แต่เด็กถ้าคุณไม่สอนแต่เด็กรอให้มันโตก่อนคุณสอนให้เขาเหยียดหยามแม่ค้าสอนให้เขาเหยียดหยามดูถูกคนที่รับเงินจากคุณในการซื้อของ นั่นแหละมันจะซึมซับการเป็นผู้สั่งการไม่เห็นในบุญคุณของคนเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับพลังงานทางจิตเรื่องการเลี้ยงลูกซึ่งขอติดตามอีกบทความหนึ่งละกันเรื่องทั้งหมดที่พ่อแม่ผมปลูกฝังไว้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลด้านดีที่สะสมไว้ในจิตได้สำนึกพอสมควรที่แม้ต่อมาผมจะได้เพื่อนเลวแล้วก็ไปอยู่ในสังคมเลวๆ เ, เสเพลติดยาอย่างหนักในตอนวัยรุ่นด้วยสิ่งแวดล้อมพาไป แต่สุดท้าจิตใต้สํานึกก็ปรากฏความคิดเตือนตัวเองแล้วลากออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้ในที่สุดนะครับซึ่งตรงตามทฤษฎี เ, เรื่องของจิตที่กล่าวมาข้างต้นคือมันเอาไปเปรียบเทียบกันในชีวิตวัยเด็กเราเคยมีความสุขเราเคยสวดมนต์เข้าโบสทําความดีแล้วมีความสุขยังไงแล้วพอมาเสพยาติดเหล้าติดการพ น, น, นันมีความทุกขยังไงจิตใต้สำนึกมันชั่งน้ําหนักกันได้แล้วมันเห็นว่าอ๋อควรจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะแล้วก็ ภาพของความรักของแม่ที่ปรากฏขึ้นมาว่าไม่อยากทำให้แม่เสียใจมากกว่านี้นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมเริ่มต้นด้วยการเลิกบุหรี่ก่อนจากประสบการณ์ตรงนะครับผมจึงเชื่อมั่นว่าการสอนเด็กที่ดีควรเริ่มตั้งแต่เล็กและช่วงก่อนมีฮอร์โมนเพศไม่ใช่ตามไปแก้ปัญหาตอนเกือบสายไปแล้วแล้วถ้าไม่สะสมข้อมูลด้านดีไว้ให้ลูกแต่เล็กและจะให้เป็นคนดีตอนโตหรือกลับตัวจากคนชั่ว มันคงไม่ง่ายเหมือนสลับปลักไฟนะครับถึงจะยากแต่ก็ไม่มีคำว่าสายไปเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องมีบุญเก่าพอสมควรขอแค่เข้าใจและใช้แนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างน้อยลูกหรือลูกศิษย์ชั่วของคุณมันก็ต้องลดความเร็วลงได้อีกระดับแน่นอนสำคัญคือคุณมีจิตเมตตาและมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนสมัยก่อนช่วงที่ผมยังจมอยู่กับอบายามุข ผมก็ยังไม่เคยหยุดสวดมนต์นะครับในขณะที่คนอื่นหาวัดดัชลิตเลวขนาดเนี้ยจะมาสวดมนต์ทำไมจะศึกษาธรรมะไปทำไมจะแวะซื้อน้องสือธรรมะทำไมผมทำควบคู่กันไปจนวันหนึ่งจิตเริ่มบอกตัวเองว่าควรเลิกสิ่งเหล่านี้สถทีเพราะมีแต่นำทุกมาให้แถมมีคำพูดจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่เคยเจอตอนจะฆ่าตัวตายเป็นแรงกระตุ้นเพิ่มอีกด้วยจะบังเอิญหรือโชคดีก็ไม่รู้นะครับ ที่ว่าช่วงนั้นมีรายการทีวีสั้นๆเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ฉายทุกสัปดาห์คนเราถ้ามีใครพูดกรอกหูเรื่อยๆเนี่ยจิตก็คล้อยตามได้ง่ายนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คิดว่าเราต้องเลิกบุหรี่ให้ได้ก่อนดีกว่าพยายามทําตามคําแนะนําในทีวีไปซื้อหนังสือที่วางขายมาอ่านหลายเล่มแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวหมดนะครับทําไม่ได้สักอย่างบางทีก็อยากจะไปถามคนเขียนหนังสือเหมือนกันนะครับว่ามันเคยติดยาหรือเปล่า เคยสูบบุหรี่ไหมเพราะอ่านและทำตามโคตรยากเลยและทำตามไม่ได้ด้วยสุดท้ายผมก็คิดค้นวิธีเลิกบุหรี่ด้วยตนเองจนได้นะครับขณะที่ยังกินเหล้าวัละกลมเหมือนเดิมใครสูบบุหรี่เนี่ยจะรู้ว่าการเลิกบุหรี่แต่ยังกินเหล้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและยากมากเพราะมันเป็นของคู่กันนะครับแถมยังต้องร้องเพลงกลางคืนต้องเจอคนสูบบุหรี่ควันขมงให้เห็นทุกวันแต่ผมก็เลิกได้หน้าตาเฉย แต่ขอแนะนําไว้ก่อนนะครับว่าช่วงแรกของการเลิกบุหรี่เนี่ยจะเกิดผลสะท้อนมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับทั้งอารมณ์หงุดหงิดหาสาเหตุไม่ได้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ตัวเองจริงๆว่าผมมาหงุดหงิดง่ายแล้วก็ผ่านหาเรื่องทะเลาะคนอื่นไปทั่วสุดท้ายก็โดนไล่ออกจากงานแต่ก็คุ้มฮะการที่เลิกบุหรี่ได้แล้วเสียงานไปแต่ว่าได้ชีวิตใหม่กลับมาเป็นคนใหม่ผมถือว่าคุ้มมากถ้าใครคิดจะเลิกบุหรี่นะครับแล้วไม่อยากมีปัญหาตามมา แนะนำให้ลาพักร้อนงดรับแขกงดพบลูกค้าเด็ดขาดหรือต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าช่วงเนี้ยจะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เรางดหงิ ด, ดและอาจจะแสดงออกมาไม่ดีควบคุมตัวเองไม่ได้ขอให้ทุกคนให้อภัยศาสตร์แห่งจิตใต้สำนึกทำให้ผมรู้ภายหลังว่าที่เราติดอะไรอยู่ก็ตามส่วนหนึ่งมันเกิดจากมีข้อมูลเป็นประจาที่ส่งไปที่จิตใต้สานึก เลยทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดการเสพติดคิดว่าขาดไปแล้วจะไม่มีความสุขถ้าต้องการเลิกเด็ดขาดชนิดไม่หวนกลับไปอีกเราต้องถอนข้อมูลขยะในจิตตตะสานึกออกมาให้ได้เราปลูกความเข้าใจผิดไว้ทีละน้อยจนมันเติบโตฝังลึกไว้จึงต้องใช้เวลาให้ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องทีละน้อยจนจิตมีกาลังก่อนแล้วค่อยถอนรากออกให้หมดจดอีกทีด้วย แนะนำเพิ่มเติมสําหรับคนที่เลิกบุหรี่ใหม่ๆนะครับก็ลองแวะไปหาหมอทางด้านจิตเวชขอยาเพื่อบรรเทาอาการหงุดหงิดมาด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาสังคมหรือไม่มีปัญหากับคนรอบข้างเพราะบางทีมันปัญหามันใหญ่กว่าที่คิดนะฮะเกิดคุณจะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวแล้วโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าคุณไปพานหงุดหงิดพอเลิกบุหรี่แล้วมันมีผลต่อสมองจริงๆมันจะพานแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยละ่ะ อันนี้หมายถึงยาเสพติดชนิดอื่นด้วยนะครับ